บทภาชณีติกะปาจิตตี112ิสเสนาสนะของสงภิกษุสำคัญว่าเป็นของสงวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอวบาัติปาจิตตีเสนาสนะของสงภิกษุไม่แน่ใจวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ ให้เก็บเสนาส น, านั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอบัติปาจิตตีเสนาสนะของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ใเก็บเสนาส น, านั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอบัติปาจิตตีทุกกฏภิกษุวางไว้หรือใช้ให้วางผ้าปูรักษาผิวพื้นผ้าปูเตียง ผ้าปูพื้นเสื่ออ่อนท่อนหนังที่เช็ดเท้าตั้งกระดานไว้ในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บผ้าปูรักษาผิวเป็นต้นนั้นหรือไม่บอกม่อมหมายไปเสียต้องอบัตทุกกฎเส น, สนาสนะส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของสงต้องอบัตทุกกฎเส น, สนาสนะส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ นาสนาส่วนบุคคลพิกษุน์สำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอาบัติทุกกฏเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นศาสนาเป็นของส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอาบัติ